สุวะโพดกได้ฟังคําของนางนกสาลิกาแล้วคิดว่าถ้าเราบอกว่ามาแต่มิถิลานางนกสาลิกานี้แม้ถึงความตายก็จกไม่ทําความคุ้นเคยกับเราก็เรากำหนดนครอริทธปุระในแคว้นสีพีมาแล้วฉะนั้นเราจะทามุขสาวทากล่าวว่าพระเจ้าสีวิราชทรงส่งมาแต่ที่นั้นคิดชนีแล้วจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บรรทมในปราศาสตร์ของพระเจ้าศรีวิราชพระราชาพระองค์นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่ถูกขังจากที่ขังนั้นนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่ถูกขังพันเทความว่าพระราชาพระองค์นั้นโปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งปวงจากที่ขังเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อโปรดให้ปล่อยอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าพวกท่านจงเชื่อเราปล่อยมันไปข้าพเจ้านั้นออกจากกรงทองที่เปิดไว้ถือเอาอาหารในที่นั้นนั้นตามที่ปรารถนาภายนอกปราศาสตรแล้วอยู่ในกรงทองนั่นเองไม่เหมือนเธอซึ่งอยู่ในกรงเท่านั้นตลอดการเป็นนิดอย่างนี้ลำดับนั้น นางนกสาลิกาให้ข้าวตอกคลุกน้ำพึ่งที่วางอยู่ในกระเช้าทองและน้ำพึ่งเพื่อตนแกสุวะโปดกแล้วถามว่าแนสหายท่านมาแต่ที่ไกลมาในที่นี้เพื่อประสงค์อะไรสุวะโปดกได้ฟังคํานางนกสาลิกาใครจะฟังความลับจึงมุสาวาสกล่าวว่านางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดอ่อนหวานเป็นภรรยาของฉัน เ ย, ยวได้ฆ่านางนกสาลิกานั้นเสียในห้องที่บรรทมต่อหน้าฉันผู้อยู่ในกรงงามซึ่งเห็นอยู่บรรดาคาเหล่านั้นคาว่าตัวหนึ่งของฉันนั้นตัดสะเมกาความว่านางนกสาลิกาตัวหนึ่งเป็นภรรยาของฉันนั้นคาว่าเป็นภรรยาทุติยาสิได้แก่ได้เป็นภรรยาเก่า คำว่าพูดอ่อนหวานมัญชุพานิกาได้แก่พูดไพเราะลำดับนั้นนางนกสาลิกาถามสุวะโปดกว่าก็อย่างไรเหี่ยวจึงได้ฆ่าภรรยาของท่านเสียสุวะโปดกเมื่อจะบอกแกนางนกสาลิกาจึงกล่าวว่าเธอจงฟังวันหนึ่งพระราชาของฉันเสด็จไปเล่นน้ำตรัสเรียกฉันไปตามเสด็จ ฉันจึงพาภรรยาไปตามเสด็จเล่นน้ำกลับมากับพระราชานั้นในเวลาเย็นขึ้นปราศาสกับพระองค์พาภรรยาออกทางศีหะบัญชนจับอยู่ที่โพรงตาหนักยอดเพื่อผึ่งสรีระขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาเพื่อโฉบเราทั้งสองผู้ออกจากตาหนักยอดฉันกลัวแต่ภัยคือความตายบินหนีโดยเร็วแต่นางนกสาลิกาคราวนั้นมีคันแก่ เพราะฉะนั้นนางจึงไม่อาจหนีทีนั้นเยี๋ยวก็ยังนางให้ตายต่อหน้าฉันผู้เห็นอยู่แล้วพาหนีไปทีนั้นพระราชาของฉันทอดพระเนตรเห็นฉันร้องไห้ด้วยความโศกถึงนางจึงตรัสถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมได้ทรงฟังข้อความนั้นแล้วรับสั่งว่าพอละเจ้าอย่าร้องไห้จงสแสวงหาภรรยาอื่น เมื่อฉันได้ฟังรับสั่งจึงกราบทูลว่าประโยชน์อะไรด้วยภรรยาอื่นผู้ไม่มีอาจาระมัญญาตไม่มีศีลแม้ที่นำมาแล้วผู้เดียวเที่ยวไปดีกว่ารับสั่งว่าแนสหายข้าเห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งถึงพร้อมด้วยสีลาจารวัตเช่นกับภรรยาของเจ้าก็นางนกสาลิกาเห็นปานนี้ เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บันทมของพระเจ้าจุลณีมีอยู่เจ้าจงไปในที่นั้นถามใจของเขาดูให้เขาทำโอกาสถ้าเจ้าชอบใจเขาจงมาบอกแก่เราภายหลังเราหรือพระเทวีจะไปนำนางนั้นมาด้วยบริวารใหญ่ตรัชนีแล้วทรงส่งฉันมาในที่นี้ฉันจึงมาด้วยเหตุนั้นกล่าวฉนีแล้วสุวะโกดกจึงกล่าวว่า ฉันรักใคร่ต่อเธอจึงมาในสำนักของเธอถ้าเธอพึงให้โอกาสเราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันนางนกสาลิกาได้ฟังคำของสุวะโปดกก็ดีใจแต่ยังไม่ให้สุวะโปดกรู้ว่าตนปรารถนาทำเป็นไม่ปรารถนากล่าวว่านกแขกเต้าก็พึงรักใคร่กับนางนกแขกเต้ากนกสาลิกาก็พึงรักใคร่กับนางนกสาลิกา การที่นกแขกเต้าจะอยู่ร่วมกับนางนกสาริกาดูกระไรอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่านกแขกเต้าสุโวความว่าแนสหายสุวะบัณฑิตนกแขกเต้านั่นและพึงรักใครนางนกแขกเต้าซึ่งมีชาติเสมอกันของตนคำว่าดูกระไรอยู่กีทิโสความว่า ชื่อว่าการอยู่ร่วมของนกที่มีชาติไม่เสมอกันจะเป็นอย่างไรเพราะนกแขกเต้าเห็นนางนกแขกเต้าที่มีชาติเสมอกันก็จักละนางนกสาลิกาแม้เชยชิดกันมานานความพลัดพรากจากของรักนั้นจักเป็นไปเพื่อทุกใหญ่ฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมาชื่อว่าการอยู่ร่วมของนกที่มีชาติไม่เสมอกันย่อมไม่เหมาะสมเลย สัวะโพดกได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่านางนกสาลิกานี้หาได้ห้ามเราไม่ยังทำการปริหารอีกด้วยคงจกปรารถนาเราเป็นแน่เราจะให้นางนกสาลิกานี้เชื่อถือเราด้วยอุปมาต่างๆคิดชะนี้แล้วจึงกล่าวว่าเออก็ผู้ใดใครในกามกับนางจันทานผู้นั้นทั้งหมดย่อมเป็นเช่นกับนางจันทานนั้น เพราะว่าบุคคลไม่เป็นเช่นเดียวกันในเพราะการรมย่อมไม่มีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากับนางจันธานจันดาลิกามปิได้แก่ซึ่งนางจันธานคำว่าเป็นเช่นกับสธิโสความว่าการอยู่ร่วมกันทุกอย่างย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งนั้นเพราะมีจิตเป็นเช่นเดียวกันคำว่าในเพราะการม ก็มความว่าเพราะในเรื่องกามจิตเท่านั้นเป็นประมาณชาติหาเป็นประมาณไม่ก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วสุวะบันดิตเมื่อจะนาเรื่องอดีตมาชี้แจงเพื่อแสดงความต่างชาติกันไม่เป็นประมาณในหมู่มนุษก่อนจึงกล่าวคาถาเป็นลำดับว่าพระราชมารดา ข, ของพระเจ้าศรีวีพระนามว่าชัมภาวดีมีอยู่ พระนางเป็นหญิงจันทารได้เป็นพระมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพกันหะโคดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าชัมภาวดีชัมภาวตีความว่าพระชนนีของพระเจ้าสีพีราชพระนามว่าชัมภาวดีได้เป็นหญิงจันทารพระนางได้เป็นพระอัครมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพ ผู้เป็นพี่ชายของพี่น้องสิบคนของกันหานะโคดได้ยินว่าวันหนึ่งพระเจ้าวาสุเทพเสด็จออกจากกรุงทวาราวดีประพาสพระราชอุทยานถ้าพระเนธเห็นกุมาริการูปงามคนหนึ่งเป็นจันทานจากบ้านคนจันทานเข้าสู่พระนครด้วยธุระบางอย่างยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งพระองค์มีจิตปฏิพัตมีรับสั่งให้ถามว่า ชาติอะไรแม้ได้สดับว่าชาติจันทานก็ยังมีรับสั่งให้ถามว่ามีสามีหรือไม่ทรงสดับว่ายังไม่มีสามีจึงพานางกุมาริกานั้นกลับจากที่นั้นทีเดียวนำไปพระราชนิเวศ ท, ทรงตั้งเป็นอัครมเหสีพระนางนั้นประสูติพระโอรสพระนามว่าศรีวีเมื่อพระราชบิดาสวัรคตแล้ว พระเจ้าศรีวีจึงครองราชสมบัติในกรุงทวาราวดีสุวะโปรดกกล่าวคำนี้หมายเอาเจ้าศรีวีนั้นสุวะบันดิตนำอุทาห น, นี้มาอย่างนี้แล้วกล่าวว่ากระสัตย์แม้เห็นปานนี้ยังสำเร็จสังวาสกับหญิงจันทานใครจะว่าอะไรในเราทั้งสองซึ่งเป็นสัตว์ริรชานเล่า ความชอบใจในการร่วมประเวณีกันและกันต่างหากเป็นข้อสำคัญกล่าวชนี้แล้วเมื่อจะชักอุทาหรณ์อื่นมาอีกจึงกล่าวว่ากินนรีชื่อรัตนวดีมีอยู่แม้นางก็ได้ร่วมรักกดาบดชื่อวัชชะมนุษย์ทั้งหลายร่วมอภิรมกับมรุคีก็มีมนุษย์และสัตว์ไม่เป็นเช่นเดียวกันในเพระกรมย่อมไม่มีบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าวัชชะวัชฉังความว่ากระดาบทผู้มีชื่ออย่างนั้นก็กินนารีนั้นได้ร่วมรักกระดาบทนั้นอย่างไรในอดีตการมีพรามคนหนึ่งเห็นโทษในกรรมทั้งหลายจึงละยศใหญ่ออกบวชเป็นฤาษีสร้างบรณารณศาลาอยู่ณหิมวันตะประเทศกินนอนเป็นจํานวนมากอยู่ณถ้ำแห่งหนึ่งใกล้บรณารณศาลาของฤาษีนั้น มแมลงมุมตัวหนึ่งอยู่ณประตูถ้ำนั้นมันได้กัดศีรษะของกินนอนเหล่านั้นดื่มกินโลหิตธรรมดากินนอนทั้งหลายหากําลังไม่ได้เป็นชาติขาดแม้มแมลงมุมตัวนั้นก็ใหญ่โตมากกินนอนทั้งหลายไม่อาจจะทำอะไรมันได้จึงเข้าไปหาดาบทนั้นได้รับปฏิสันฐานแล้วดาบทถามถึงเหตุที่มาจึงพากันบอกว่า มีมแมลงมุมตัวหนึ่งทำร้ายชีวิตของพวกขพเจ้าพวกขพเจ้าไม่เห็นผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งได้ขอท่านจงฆ่ามันเสียทำความสวัสดีแก่พวกขพเจ้าดาบทได้ฟังคำดังนั้นก็รุกรานว่าพวกเองไปเสียบรรพชิตทั้งหลายเช่นเราไม่ทำปานาติบาตบรรดากินนอนเหล่านั้นมีกินนรีชื่อรัตนวดียังไม่มีผัว กินนอนเหล่านั้นจึงตกแต่งกินนรีรัตนวดีนั้นแล้วพาไปหาดาบทกล่าวว่ากินนารีนี้จงเป็นผู้บำเรอเท้าท่านท่านจงฆ่าปัจจามิตรของพวกเราเสียดาบทเห็นกินนรีรัตนวดีก็มีจิตปฏิพั์จึงสำเร็จร่วมอภิรมกับกินนารีนั้นแล้วไปยืนที่ประตูถ้ำตีมแมลงมุมที่กำลังออกมาหากินด้วยค้อนให้สิ้นชีวิต ดาบทนั้นอยู่สมัครสังวาสกับกินนรีนั้นมีบุทธิดาแล้วทํากาลกิริยาณที่นั้นแหลกินนรีรัตนวดีนั้นรักไข่ดาบทชื่อวัตชะด้วยประการชนีสุวะโปดกนําอุทาหอ น, นี้มาเมื่อจะแสดงว่าวัตชดาบทเป็นมนุษย์ยังสําเร็จสังวาสกับกินนรีนั้นผู้เป็นดิรัชานได้จะกล่าวใยถึงเราทั้งสอง เป็นนกเป็นดิรัชานด้วยกันจะร่วมสังวาดกันไม่ได้เล่าจึงกล่าวคําเป็นต้นว่ามนุษย์ทั้งหลายร่วมอภิรม์ด้วยมฤคีมีอยู่ดังนี้มนุษย์เราทั้งหลายอยู่ร่วมกับดิรัชานมีอยู่คือปรากฏอยู่ด้วยประการชนิดนางนกสาลิกานั้นได้ฟังคําของสุวะโปดกแล้วกล่าวว่าข้าแต่นายขึ้นชื่อว่าจิต จะเป็นอย่างเดียวไปตลอดการย่อมไม่มีฉันกลัวแต่ความพลัดพรากจากท่านที่รักจากสหายสุวบันดิตแม้นั้นเป็นผู้ฉลาดในมายาสตรีฉะนั้นเมื่อจะทดลองนางนกสาลิกาจึงกล่าวคาถาอีกว่าเอาเถอะแม่สาลิกาผู้พูดเพราะฉันจากไปละเพราะถ้อยคำของเธอนั้นเป็นแนวทางให้รู้ประจักษ์เธอดูหมินฉันนัก บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเพราะถ้อยคําของเธอนั้นเป็นแนวทางให้รู้ประจักษ์ปัจจักขานุปทังเหตังความว่าคําที่เธอกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางให้รู้ประจักษ์คือเป็นเหตุให้รู้ประจักษ์คำว่าดูหมิน่นอติมัญสิความว่าเธอล่วงเกินดูหมิน่นฉันแน่ว่านกแขกเ ต, ต้านี้ย่อมปรารถนาเท่านั้น เธอไม่รู้สาระสำคัญของฉันพระราชาก็บูชาฉันฉันหาภรรยาได้ไม่ยากฉันจักแสวงหานกตัวอื่นเป็นภรรยาฉันจักไปละ